ยาีเรียเรื่องเด็กสอนผู้ใหญ่เด็กวัดสองคนกำลังทะเลาะกันหลวงพ่อไปถามว่า ทะเลาะกันเรื่องอะไรเด็กจึงเล่าให้ฟังว่าครูให้การบ้านมาทํามีโจทย์ถามว่าไข่ไก่ข้างในเป็นสีอะไรเด็กคนแรกมุดไปดูในรังไก่พอทุกออกดูเป็นสีเหลืองเด็กคนที่สองก็มุดไปดูรังไก่อีกรังหนึ่งรังนี้ แม่ไก่ฟักไข่มายี่ิกว่าวันแล้วพอทุบไข่ออกดูเห็นลูกเจี๊ยบอยู่ในไข่มีสีดำคนหนึ่งเห็นเป็นสีเหลืองคนหนึ่งเห็นเป็นสีดำต่างคนต่างก็เชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะต่างก็เห็นมาด้วยตาตนเองเลยทะเลาะกัน เด็กสองคนนี้ทะเลาะกันเพราะไม่รู้ธรรมชาติที่แท้จริงของไข่ไก่คือเมื่อไข่ออกมาจากแม่ไก่ใหม่ๆจะเป็นสีเหลืองแต่เมื่อเวลาผ่านไปแม่ไก่ฟักไข่สักสามถึงสี่อาทิตย์ไข่สีเหลืองจะกลายเป็นลูกไก่สีดำอยู่ข้างในถ้าเด็กทั้งสองคนรู้ธรรมชาติที่แท้จริงว่า ไข่ไก่จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยตามการเวลาก็ไม่ต้องทะเลาะกันที่ทะเลาะกันเพราะรู้ไม่จริงในบ้านเมืองเราก็เช่นกันตอนนี้มีการทะเลาะเบาแวงกันเป็นจานวนมากจนไม่เป็นอันทำงานทําการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพราะแต่ละคนรู้ไม่จริงรู้ไม่ตลอดรู้ไม่ครบวงจรพอตาเห็นภาพก็คิดว่าตัวเองรู้แล้วแสดงความอวดรู้ด้วยการทะเลาะ ก, กับคนอื่นเหมือนกับเด็กวัดสองคนทะเลาะ ก, กันเรื่องสีของไข่ไก่บางครั้งเรื่องของเด็ก ก็ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใหญ่อย่างมากถ้าเราคิดเป็นและมีสมองคิดถ้าคนไทยเลิกทะเลาะกันแล้วหันมาร่วมมือกันทำงานประเทศชาติจะเจริญกว่านี้อีกเยอะ